เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรม <c oughs> เราใสการได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับตัวเองเราจะไปทางไหนทิศใดก็ต้องได้ข้อมูลพอสมควร ยึงจะไม่เกิดปัญหาเช่นเราจะไปเที่ยวต่างประเทศจะไปเผยแผ่พระศาสนานย่าต้องมีข้อมูลจึงไม่เสียเวลาเพราะ้มันชัดเจนและแม่นยำการปฏิบัติธรร ม, มก็เหมือนกันอาศัยการได้ยินได้ฟงัง คือก็มีแบบฉบับในสืบท อ, อดกันมาตั้งแต่สมัยกลางประพุติเจ้าพอได้พูดต่อต่อกันมาได้ทำต่อต่อกันมาจำต่อต่อกันมาแต่ก่อนนั้นคนเรามันสมองดีกว่าทุกวันนี้ความจำเก็กโดยเฉพาะเรื่องคำ สอนของพระพุทธเจ้าเราพระัศวกทั้งหลายจํากันมาอาโนนในเป็นเอตต ะ, ะคะในการจําคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดแล้วก็หลายหลายลูกทรงไว้ซึ่งธรรมทรงเวนไว้ซึ่งวินไนพระสูตรพระวิธรรมพระวินไน แล้วก็ต่อกันมาบอกต่อกันมาจนมาถึงอพอมาเห็นธาเถระโอปติสะเถระโอปพะโอปติสะเถร ะ, ะ, ะสังขัยดังขั้งที่สามพอมาเห็นธาเถระก็ต่อกันมาครับ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 สำหรับการปฏิบัตินั้นในพระสูตรพระพุทธองค์ก็สอนไว้การปฏิบัติไม่ผิดทำอย่นั้นอย่นี้เช่นอินทร์สังวรสำรวมอินทร์ตาหูจมูกลิ้มกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นโลกฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องปุทธปะกระทบทำอารมณ์ด้วยจิตใจ ชาคริยานุโยกประกอบความเพียรไม่เห็นแยนอนมากอะไรพี่นะพี่คงจะจำเจ่งกว่าหลวงพ่อในได้เรียนนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อโคงอนุญาตวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสากลสากล แต่ว่าการปฏิบัติธรรมลับมารฐานเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นที่เราจะต้องพบเห็นด้วยตนเองเราทำอย่างนี้มันเกิดอจอากนี้ขึ้นมาเช่นเราจเจริญสตินะหลักสหกรก็ไม่อยู่แล้วรกายานุปจนาสติปัฏฐาน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 กับความหลงกับความไม่หลงหลงตรงนี้รู้ตรงนี้มันแย่กันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาประสบการณ์กับตัวเราบ้างไม่ใช่ก๊อปปี้รีไม่ใช่ก๊อ ป, ปี้ไม่ใช่อ่ถ่ยายเอกสารไม่ใช่ซีลอกอะไรต่างๆเอาจากแบบฉบับ จำคำพูดมาพูดป๊อปป๊อป๊อปมันไม่ใช่เช่นอายุดขลงกุเทียนนี่ยบางคนก็กี้เลยทีเดียวรักษาไว้เพื่อไม่ให้ผิดไปอยัางอื่นถ้าใครพูดไม่เหมืกับหลวงปู่เทียนหรือว่าผิดอมก็ไปอีกแบบนึงแล้วเช่นเรายกมือสร้างจังหวะ อันที้ก็จะให้มันแม่นนะถูกมันหลงกุฏเทียนยกบางทีคนอื่นไปยกแบบอื่นเออเราก็เข้าใจว่าเขาทําผิดแบบหลงกุฏเทียนแล้วนั่นก็ไม่ใช่เพราะอดบทต่างๆมีเยอะแยะการเวลาต่างๆที่เราจะต้องทำบางที่เรายกมือไล่โยงก็ยังได้ไำให้ความรู้สึกตัว <c oughs> ยกมือไปจับเอาสิ่งของก็ยังได้ ยกมือจับไม้ปวดถูบ้านจะให้เกิดความู้ภเจตัวบางคนยกน้อยๆไม่รู้ของคนก็ยกเหวี่ยาๆยกมือขึ้นสุดแขนนี่ก็มป็ถ้ามันง่วขกยกมือขอึ้นสูงลองดูให้มันถ้ามือมันทุมหัวหนูน้น ย, ยกขึ้นแรง แ, แขนไปแรงๆนี่ก็เป เพราะใครครับปี้ครับปี่เราพู้เทียนมาก็ถือว่าเราทำผิดมันก็ไม่ใช่เราอาศัยการลเวลาต่างๆที่ไว้กระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่สิ่งที่มันจะต้องหลักของเราจริงๆก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราจะหาจากกายมา แบบไหนให้ในกาลเทศะเ็่นไหนบาทีเราไปอยู่ในสังคมที่มันวุ่นวายสับสนเราจะไปเนี้ยนั่งยกมือสร้างว่าสร้างจังหวะในเหตุการณ์นั้นมันก็ดูไม่เหมาะแล้วก็อาศัยอันอื่นอาศัยถึ่งอื่นอาจจะเอามือลูกหัวเข่าเล่นๆไป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 เราไม่อาจจะไม่ได้เดินที่อยู่ทางเดินจงกมของเรามันก็ไม่ใช่อย่างนี้เสมอไป <c oughs> ตัวปฏิบัติ ต, ต้องปฏิบัติไปทุกโอกาสสรวมเพิ่มความรู้เข้าไปกับการใช้ชีวิตประจำวันมันจึงจะพอ ถ้าไม่เช่นนั้นความหลงจะมาแบ่งเอาครึ่งๆ ก, กลางๆไปมันก็เป็นคนครึ่งๆ ก, กลางๆถ้าไม่ประยุกต์ไม่ปรับปรุง <c oughs> ไม่หาโอกาสช่วยโอกาสโอกาสเป็นหลงโอกาสเป็นลูกเพให้มันมีคู่กันไปแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติเนี่ย นั่นแหละปัจติไปในกาย <c oughs> อะไรที่เป็นเรื่องของกายโดยตรงโดยอ้อมหามาให้เกิดความรู้วางครั้งมันหลงมากมากมันงงมากมากเราก็หาความรู้ที่มันจะรูม้มากมากตื่นได้มากมากเข้าไปกับความหลงมากๆแรงท่วงให้มันพอกัน แรงความหลงกับ แ, แรงความโูภให้มันสมดุลกันไม่ใช่แรงความหลงก็ให้โอกาสความหลงไปความโลภก็อ่อนอไปกับเขาคลอยตามไปกับเขาเออเราไปทําเอาใหม่ไปกลับไปวัดไปจเจริญจิตใจใหม่บางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นไปทีนี้มันเราก็ไปอย่างนี้แหละอยู่กับเขาก็าว่ากันไปไม่ใช่ <c oughs> ต้องคงเส้นคงวา ตานปฏิบัติธรรมก็ให้เป็นนักปฏิบัติร0อยเปอเ็นะเอาร้อยเปเ็นไว้มันหลงร0อยเอร์เ็นม่ก็มีความรู้ร้อยเเ็นมันทุกข์รอยเรเ็นาก็ไม่ทุกข์รอยเปรเซ็นตเดกันนะต้องมีอย่างนั้นเ <c oughs> รียงได้ว่านักปฏิบัติ มันหลงก็มีมืนกันมันไม่หลงก็ไม่มีมันหลงก็ต้องไม่หลงนั่นแหละจึงจะเป็นตัวปฏิบัติมันทุกข์ก็ต้องมไม่ทุกข์นั่นแหละเป็นการปฏิบัติแล้วบางทีมันก็มีอารมณของกรรมาฐาน <c oughs> อารมณของกรรมาฐานนี่เข ชวนให้หลงก็มีนะเช็นในวลรธรรมหรือเออเห็นวิปัสสนูนะความรู้ความสุขแต่อาทีมันเกิดแหลงความรู้ขึ้นมามองอะไรทะลุทะลวงไปมันก็หลงได้เหมือนกันลลงไปกับความรู้มันก็เสียเวลาเหมือนกันหลงไปกับความสุข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 จะเป็นความทุกข์กายลาบากการกลา ก, กรรมทางานก็ไม่ค่อยกลัวจะเป็นทุกข์ที่เกิดในทางชดเสิยการพลัดพากการได้การเสียก็ไม่ค่อยหวัดไหวเท่าไหร่หรอกถ้ามันคินมันเคยสู้แต่สิ่งที่มันหลงที่มันมีรสชาติคือหลงในความรู้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 ไม่สู้ก็มีบางคนการปฏิบัติธรรมนะบางคนก็อะไรที่ไม่ไม่ถูกจริตเนื้อใจก็ไม่ค่อยสู้เอาตัวเองเข้าไปวัดไปเวียงไม่วางตัวเป็นกลางๆไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะกับการปฏิบัติในหลักสูตรมันก็นี่แหละมีสติเห็นกายนี่แหละ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 เวทนามื่เกิดขึ้นทําให้เกิดการอ่อนแอเกิดความหลงเราไม่ต้องอ่อนแอรตรงนี้ตรงที่มันจะทําให้อ่อนแอรเราไม่ต้องอ่อนแอต้องเข้มแข็งเกิดความรู้สึกตัวเรื่องของกายกับมือนกันเรื่องของเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเกิดกัดเสริมไหนะ้การปฏิบัติธรรมนะอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ที่สุดคือความรู้สึกตัวให้ใหญ่กว่ากนะารปฏิบัติธรรมแต่ความคิดนะนะแต่ก่อนความคิดถือว่าเ ป, เป็นเรื่องใหญ่มโนโปุพองมโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายไม่ใจเป็นใหญ่ไม่ใจเป็ น, ห, ปนหัวหน้าสําเร็จก็พอใจสําเร็จในทางความดีก็เป็นใจสําเร็จในทางความชั่วก็เป็นใจปัจนุบัเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้น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 มันไม่มันไม่หนักหรอกแต่ไปดูไปเห็นเขานะสิ่งที่มันหนักอาจจะเบาด้วยถ้ารู้สึกตัวไปกับอาการต่างๆอาจจะเบาล้าปล่อยเขาเป็นของเขาอาจจะหนักความรู้สึกตัวเป็นส่วนเฉลี่ยให้เกิดไม่เกิดน้ำหนักเช่นความหล ง, งก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความรู้ถ้าความรู้ก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความรู้ความสุขก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความรู้ ผมทุกข์ก็ไม่มีน้ำหนักถ้ามีความโลดสิบตัวมันเป็นตัวเฉลีย่ยไม่ให้เกิดน้ำหนักแต่เอร์ซก็เฉลีย่ยห้าสิบเปอร์ซนตถ้ามีความโลดสิบตัวถ้าโกรธร้อยเปอร์เซ็นตถ้ามีความโูดสิบตัวก็เหลือห้าสิบเอร์เซ็นต์ันเป็นอย่างนั้นจริงๆความโลดสิบตัวเราใช้ตั้งแต่เนี่ยเราใช้ตั้งแต่กายนี้ไป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 ไม่ให้เป็นรุ่นเป็นก้อนเหมือนเมื่อก่อนพอเห็นโลกทมนามทาเนี่ยมันแยกมันย่อยแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองของเขากองลูกกองนามกองของลูกที่เป็นมหาภูตรลูกดินนม้มลมไฟ <c oughs> ที่มันเป็นขันรวมกันอยู่โูกคงเป็นลูกที่มันเป็นรุ่นเป็นก้อนจับต้องได้คิบหายเพอาะร้อนพราะหนาวพอเจ็บพระปวดเพราะกาลเวลาโูกมันเนี่ยอย่างเหลวนพ่อมันก็คิบหายไปแล้วมันนานทําอะไรนิดหน่อยก็ เป็นไข้เป็นรอดไป ว, วานนี้ก็ลูกไม่ได้มันจิบหายเพราะการเวลาจิบหายเพราะร้อนเพราะหนาวจิบหายเพราะการทางานกลา ก, กรรมอันนี้มันเป็นลูกในระดับลูกส่วนเวทนาเวทนามันเป็นนามสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามมาทำแต่บางก็อยู่กับลูก ตั้งอยู่บนฐานของลูกเป็นขันห้าเป็นกองของขันห้าที่มันบวกกันเป็นลูกเป็นนามมันลูยจากร้อนรู้จากหนาวลอยจากเก็บจากปวดรู้จั ก, จกสกจากทุกข์ตามขันตามธรรมชาติของเขาส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดจูบนกองลูก เพราะอายตนะนามนามะลุกมันเกิดจากอายตนะภายนอกและภายในตาเห็นลูกมันเกิดอะไรตรงนั้นเกิดรักเกิดชังก็เรียกว่ากองของขันหน้าที่มันเกิดเป็นนาำมะลุกมันก็มีพบมีชาติมีชลาโมระนะเป็นภพเป็นชาติไปการเกิดทุกคราวเป็นทุกขลําไป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 เขาฉายให้เราดูว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เหตุแก้ในเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เห็นรูเปเห็นนามนะอย่าเพิ่งไปดีใจอย่าเพิ่งไปตือลือล้นอย่าเพิ่งไปมีความสุขเพราะเกิดความรู้แม้บางทีถ้าไม่ถ้าไม่รู้ไม่ค้นคว้าตรงนี้หน่อยไม่สอดรู้สอดเห็นที่เขาแสดงให้เราเห็น ก็มองแต่ไปเกิดความสุขไปเกิดความลูกมีอกดีใจมันก็กลายเป็นวิปัสสโนไปเสียเวลาอย่งนั้นตรงเนี้ยทิ้งการปฏิบัติไปเป็นผู้สุขไปเป็นผู้ลูกไปเลยบางทีมันอาจจะทำให้เกิดกิเลสตัณหาบางอย่างลดลงพวกภาคเหมือนกันนะการไปเห็นลูกทำนามทำานะี่ย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 ศาสนาพุทธศาสนากรรมการกระทําอย่างไรพอตัวแล้วเห็นโูภเห็นนามแล้วความชั่วทำกบดีชัดเจนแล้วตรงนี้ไปจะใช้โลภจะใช้นามแล้วก็บอกตัวเองได้ต่อเ น, นี้องไปจะไม่ใช้โูภใช้นามทาความชั่วเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่น เคยสุบูลีก็เลิกสุบูรี่เคยกินเห ล, ล้าก็เลิกกินเหล้าเคยโกรธก็เลิกโกรธเอย อ, อิจฉาพยาบาทใครก็เลิกอิจฉาพยาบาทกันคืนดีกันนะถ้ารู้จักรูนะ้นามมักจะเกิดการคืนดีกันให้อภัยกันได้สบายๆแต่ก่อนให้อภัยกันได้ย า, ก ถ, านนกถ้าศัตรูโหดริพอมาเห็นลูกเห็นนามแล้เกิดเกิดเกิดความสงสารคนที่สงสารมากที่สุดคือพ่อกับแม่ ว่พ่อแม่ไม่เคยสอนเรื่องนี้ท่านไม่รู้ท่านยังไม่สอนเราท่านก็เป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้ท่านก็รับทุกข์คอยใจในความทุกข์เรื่องลูกเรื่องเต้ายอมรับในการตั้งครรภยอมรับในการเป็นพญาสามีถ้าแม่เราก็าลุอย่างนี้พ่อเราลูกอย่างนี้พอดีมันกันพ่อแม่ทําให้เราเกิดมาเพื่อแม่ทําไม่ได้พ่อทําให้ได้ วางลูกเอาไว้เพื่อให้ลูกมาทําเรื่องนี้มันก็ดีโรสชาติของการมีลูกในการเสพกรรมมันก็ทําให้ขนเกิดขึ้นมาเพื่อมาลูเรื่องนี้โอ้ถ้าพ่อแม่เราไม่มีเราก็ไม่มีแล้วเราไม่มีเราก็ไม่ปฏิบัติทำเมื่อไม่ปฏิบัติทำเราก็ไม่ลูเรื่องนี้โอ้ก็คิดเห็นบุญเห็นคุณอ่าก็เห็นลูกเห็นนามบางทีบางคนก็หลงตรงนี้นะ พอเห็นโลกเผ็นนามมัน ก, ก็หลงมันเกิดความสุขมันเกิดความโลภมันเกิดกินณฑารเกิดวิปัสโนวิปัสโนนี่มีปัญญาด้วยนะปัจจติสงบด้วยนะ <c oughs> ทําให้เราทิ้งความเพียรลองไล่วิปัสโนดูสิขี่ในอะไรบ้างวิปัสโนชีพยาจำได้ไหม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 นี่แต่ของดีๆนะทำให้เราลืมลืมความเพียรลืมการปฏิบัติอนะก็ไปอยู่กับความโลมีความสุข่าลืมความเพียรไปก็ความแทนที่เราจะฉลาดเราจะเห็นนะพยายามตรงนี้สักหน่อยเวลาเราปฏิบัติทำมันก็ตกแหล่งความู้ได้เหมือนกันนะ ตกแหลงความสุขก็ตกแหลงความอิ่มอกอิ่มใจตกแหลงความอะไรต่างๆที่มนันเป็นของดีทำเราห ล, ลงหลงในความดีเนี่ยมันเป็นมืดสีขาวมันหลงในความชั่วมันก็มีโอกาสเข็ดหลาบเป็นอยบอกถ้าหลงในความดีเนี่ยมันเข็ดหลาบไม่เป็นแต่ว่ามันจืดเป็นนะบางคนเนี่ยหมดเลย เ็หลวงพ่อบังโลภนะชวนคนโคดธรรมะโอยจะไปสอนคนหลวงปู่คนยังไม่รู้จะไปพูดให้หลวงปู่ฟังชวนพูดชวนคุยนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นนี้แต่พอได้สามสี่ปีมาเขามาสลรภาพหมดเลยผมไม่มีอะไรเลยเราบอกแล้วไ่เชื่อหมดเลยจืดชืดไปเลยต้องมาตั้งโต้นกันใหม่ความโลภมันเป็นความโลกแบบ ผิวเผินไม่ใช่ ล, แบบลูกแบบลูกแงวิปัสสนูเนี่ยบาคนจะเป็นอยู่ตั้งปีสองปีไปติดอยู่นั่นเริ่มความเพี้ยนเทศเก่งเป็นนักเทศเพื่อนหลวงพ่อองค์หนึ่งนะอยู่จังหวัดหนองคายพอได้อารมณ์โูภนามคิดอยากจไปสอนเพื่อนอยู่นั่นอยู่นี่สวนโยมคนนั่นคนนี่ไปสอนเขาบอกภาษาเลื่อยไป ไปพูดนึ้อว่าเขาจะลูกเหมือนเราแล้วเขาว่ายังไงวะเขาว่าสารภาพให้หลวงพ่อฟังว่าอาจารย์ครับเวลาอาจารย์กับพุทธยานอาจารย์ไม่ต้องนั่งรถหรอกนะอาจารย์เหาะไปเลยเขาบอกไปเหาะไปเลยเจงได้ไป น, น, น, นี่เขาจะเขาจะยินดีกับเราเขาก็เลยเออมันเกินวิสัยของเขาอาจารย์ไม่ต้องนั่งรถเขาบอกคนผมนะ น, นี่นะหลวงพ่อนะ สำไมยอยู่พุทธยานอะไมันไปพูดอะไรบางทีนะไม่พ จ, จนโธรรมให้กล้าหานไม่กลัวใครใครพูดผิดยอมไม่ได้เหมือนควายเขากลางคิดต่พื่เพือโดยะดควายเขากลางไหมฮะควายโตดควายถึก อ่ามันก็ปล่อยออกไปมันจะต้นไม้มันก็ <c oughs> เห็นต้นไม้มันก็ชนต้นไมน้เห็นพุ่ ม, มก็ฟิดพุ่มเห็นจอมตว ก, กวก็ฟิดจอมตัววิปัสสนูไปนะเหมือนควายเขากลางคึดตะพึ่งตะเพือสอนแต่พึ่งตะเพืพพพไปเลยไม่ทําความเพียรกันจะไปทางหนุดูมันดีดลูกมันก็เอามาอยู่กันกันนะความรูต้ตรงนี้นะ แต่ว่าพยายามกลับมาให้มันโลดไปบ้างจนหย่อนไปเล็กๆกไน้อยไปแต่มันอั้นกันไปมันก็หนักมันก็ต <c oughs> ิดตัดเหมือนกันไปนีดหน่อยเราก็กลับมาหยกมือสร้างจังหวาทําทจังหวะให้ไวขึ้นห <c oughs> ยกมือสร้างจังหวาให้ไวขึ้นเดินไวขึ้นกว่าเก่าแล้วหน่อยไม่ต้องหัดแล้วแบบนี้ มันเราเขียนดังสือใหม่ๆต้องหัดเขียนช้าๆเขียนเลขข้าเนี่ยอดี๋ยให้มันงามๆต้อ ง, งเขียนช้าๆเขียนเลขเก้าไทยๆเดี๋ยเขียนช้าๆต่อไปต่อไปเมื่อมันชนานาญแล้วมันก็ไม่ต้องเขียนช้าหรอกไม่ใช่บทเรียนแล้วคนรู้จากโลภทำนามทำเน่ยการเจริญสติไม่ใช่บทฝึกขัดเอามาใช่ได้เลยแล้วป่ะนะ <c oughs> ทํำอะไรก็เป็นความรู้จากตัวได้ทั้งนั้น อาจจะไม่มีสิบสี่จังหวะก็ได้นะอาจจะมีสักแปดจังหวะสิบจังหวะนี่ก็พอแล้วนะอ่าเหมือนกับเราทํำในชานาญทําจังหวะให้ไวขึ้นอ่าบําเพ็ญฐานกิจแด้ว่าเลยไม่ต้องเล่าเรื่องอารมณ์รู้น้มไปทั้งหมดต่อมาแล้วก็พอได้อารมณ์รูปน้อมจะเป็นโอกาสบําเพ็ญฐานกิจ เรื่องของลูกเอาไว้สักห้าสิบห้าสิบที่จะมาลูเรื่องกายห้าสิ 50, 50, 50บห้าสิบห้าสิบประเด็ น, นคอยดูเรื่องกิจพอมาคิดขึ้นมาก็ลูพับพอมาคิดขึ้นมาก็ลูพับหมือนก็บไม่เอาคอยจับหนูพระพุทเจ้าจัดเสื้อลูกในการบำเพ็ญทางกิจนะลูพับลูพับไม่ชาอื่นชาไม่เป็นไรแต่เรื่องของกิจเนี่ย ต้องไวสถีต้องไวรู้เท่ารู้ทันวันคิดครั้งหนึ่งก็รู้ทันมันครั้งหนึ่งวันคิดสองครั้งก็รู้ทันมันสองครั้งรู้ไวไวให้มันทันควันทันทีนะการบเปลี่ยนทางคิดไม่ใช่มันคิดไปแล้วจึงค่อยรู้จักคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่การเพลี่ยนทางคิดการเป็ี่ยนการเปลี่ยนทางคิดมันต้องทันทันกันวิธีที่จะให้ทันความคิดก็ต้อง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 มันเก้าอี้ว้เดียวที่เรานั่งอยู่ก่อนแล้วเขาจะมานั่งมันต้องมาผลักเราออกว่าเขาจึงจะได้นั่งแต่ก่อนเราไม่ได้นั่งตรงนี้นะเราปล่อยว่างๆไว้ใครจะมานั่งก็ได้ะพอเราโูภอารมณ์โลภน้ำมาก็เรานั่งเก้าอี้ได้ในที่นั่งแล้ ว, ว น, นี้โต๊ะทํางานแล้วมีสิทธิจะนั่งตรงนี้แล้ว โ ต, ตนั่งโตนี่เราก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเราะรจะเปรี่ยนก็นมันโตนายกตำแหน่งตีกัมโลกสติที่มาเห็นโลกเป็นนามเรียบนาดแล้วเรียบนาดที่จะชี้การอะไรได้เรื่องโลกเรื่องนามถพรว่าเป็นใหญ่ถพรว่าเป็นใหญ่ใหญ่ในชีวิตแต่ก่อนความหลงเป็นใหญ่ความโกรธความโลก กิเลสตัณหามันเป็นใหญ่ความรักความชังเป็นใหญ่แับ น, นี้ไม่ได้ความรู้สึกตัวในใหญ่กว่าแล้วพอมันตรวจสอบมันชำนีชานานมันเห็นหมดเรื่องของโูกเรื่องของนามเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของศาสนาพุาทธศาสนามันเห็นหมดแล้วจะหลอกไม่ได้แล้วกายจะหลอกไม่ได้แล้วใจจะหลอกไม่ได้แล้วจึงเกิดการบำเพ็ญทางกิจขึ้นมาอ่า ก็ได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ไม่แต่ความรู้เท่านั้นหรอกผูกต้องที่สุดเป็นกลางที่สุดเป็นธรรมที่สุดความรู้สุดตัวเนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าขวหน้าขั้วหลังดูขัน้นดูตอนของการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นก็คือการเจริญสติสร้างจังหวะมันมันก็อันเก่านั่นแหะ แต่มันเกิดความจานานมันผ่านมนเราเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 มันผ่านไปแล้วมาเราเรียนนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเดกมันก็สนนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเดกได้มันเรียนมหาก็เริญญา2 3 4 5 6เกรด8ก็ต้องเรียนป .9 ได้วันนี้จะมีอาจารย์มหาไหลมาก็เริญญาธรรม9ประโยคมาวัดเรา เขาก็ต้องสอนบเรียนก็เอาประโยคนั้นจะไปหลอกเขาไม่ได้เรื่องบาลีเรื่องความโลเรื่องอาสายสายของการศึกษาสายของการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติมันก็เป็นสายมาแบบนี้แหละอันนมันเป็นสูตรอันหนึ่งต่างหากแต่ว่าสูตรตัวไหนสูตรตัวปฏิบัติสูตรที่พัฒนากรรมฐานเนะี่ย มันเกิดความลูกแก้งในเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบก็อ่านการถายเห็นอารมณ์รูปนามนลยมันเป็นกิดเปลี่ยนข้างที่นั่น <c oughs> เปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงะลรตรงนั้นเปลี่ยนไปมกากมากเลยนะมันไม่ไม่เหมือนก่อนพอไปเห็นความคิดที่มันเห็นความคิดการบาเพ็ญทางกิจเป็นความคิด ไม่เมตตาตาละชัย่ไปมันก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งการไปเห็นขันห้าขันห้านี่มันเปลี่ยนครั้งสุดท้ายนะขันหนะ้าที่มันเป็นอนุสัยนะถือว่าถือว่าสิ้นพบสิ้นชาติได้เหมือนกันกนะารปฏิบัติธรรมที่คือก็ต้องลงตัวที่ขันห้า โูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขายกเลิกพูดแบบแบบเออย่าไปคิดนะอย่าไปคิดตามหลวงพ่อนะไปถึงไหนถึงไหนก็ได้สอรโลเนะแต่ ต, ต้องลงตัวอยู่ที่ขันหาลงตัวที่ขันหาจบรงตรงนี้เขายกเลิกกันอ่าขันหลังให้กัน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 มือนพระลหันสมัยขัง้งพระพุทธเจ้าอาจจะปฏิบัติบรรลุธรรมคนละแย่และมุมกันก็ะจะตูนรอบวัตถุกันเจริญสตินี่แหละคือสตินี่แหละแต่ว่าโอกาสที่มันเกิดพ ร, ร่องมันต่างกันฮะมันพร่อมตรงไหนสมบูรณ์ตรงไหนมันก็เกิดการบรรลุธรรมต่างกัน ที่จริงก็คือการมีสติสมชัญญาความรู้สึกความระลึกได้นี่แหละอย่าไปคิดว่าโอ๊ยทําไมไ ม, นนไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อย่าไปอย่าไปพูดจากนี้อย่าไปคิดอย่างนี้ไม่ต้องคิดอ่ามันจะเห็นกขวังก็โล่ไปเห็นไปทําไปว่าจะมีสติรู้สึกระลึกได้แค่นั้นแหละอ่าหลักก็คืออยู่ในกายอยู่ในใจเรานี่แหละ เป็นลูกเป็นน้ำอย่างไรเป็นลูกทำน้ำทำอย่างไรตามไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราได้พูดให้หนักสมองพูดแบบกรยกรวยทางเอาไว้มันเป็นไ ป, นปนได้อย่างนี้การปฏิบัติมันเห็นแจ้งในกองลูกกองน้ำมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไงกองลูกทำกองน้ำทำ มันก็เป็นบุญเป็นบากอยู่ในนี่มันเป็นศาสนามันเป็นพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้และมันก็เป็นมรรคผลนินพานในกองลูกองนามนี่แหละไม่ใช่ไปนิพพานที่ตรงไหนถ้าตำราก็เขียนไว้ว่าี่ตรงไหนนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าจะมีคำถามว่าพระพุทธเจ้านิพพานอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปรินนิพพานนะ เหตุใด่